ทุกท่านที่เคารพคะรายการสันนิสนทนาก็กลับมาพบกันผ่านไปหนึ่งช่วงแล้วพระมาชาคาวโรนะคะท่านก็ได้ทําหน้าที่ในการที่จะนําท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมซึ่งได้ปฏิบัติกันมาเป็นกิจที่สม่ําเสมอสําหรับท่านที่ปฏิบัติตามสม่ําเสมอก็ย่อมได้ประโยชน์ กันอย่างเต็มที่นะคะมาถึงตอนนี้จะเป็นส่วนของการที่ให้ท่านได้พบกับพระเพรบุตอภิปุโนซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ได้เปิดประเด็นว่าเดี๋ยวท่านจะพูดในเรื่องของการเปลี่ยนแบบนะคะแล้วก็แน่นอนการที่จะถวายพุทธบูชาพระพุทธองค์ในเรื่องของ 2,600 ปีที่ได้เป็น พระ บ, บรมศาสดาของเรามาจนถึงวันนี้ปี2555พุทธชยันตีด้วยค่ะไปพบกับท่านพรบูรในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผูท้ทวจนะกันเลยค่ะนรัส ก, การกัปตันคะชูบินพรค่ะในการพูดถึงเรื่องเหตุการณ์พุทธชยันตีเราในช่วงนี้เราก็จะนำํำคุณสมบัติของพุทธชาหรือเรื่องราวของพุทธชาเนี่ยมาเล่าให้ฟังเป็นการบูชาด้วยเนา ะ, ะ, ะซึ่งในวันนี้ก็จะพูดถึงบุคคลที่จะมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย บางคนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนดีมาเกี่ยวข้องกับผู้เจ้านะคุณโยมติ๋วเนี่ยหรือเปลาค่ะบางคนจะเห็นว่าโอ้ผู้เจ้านี่ประเสริฐเลืล่อลุมีแต่คนยกย่องสรรเสริญทำความดีต่างๆคนปฏิบัติตามมันไม่ใช่ทั้งหมดนะีมีคนที่คอยจ้องทำลายก็มีมีคนที่จะมาท้าทายก็มีมีคนที่มาท้าทายแล้วกลับความเห็นเปลี่ยนเป็นพวกผู้เจ้าก็มีเนี<ค>่มีคนจะมาตามข่าก็มีนีมีคนมาตามข่าแล้วเปลี่ยนความเห็นกลายเป็นสาวของผู้เจ้าก็มี<ค><ค> มีหมดยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างอย่างเช่นองค์กุลิมาเป็นต้นก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระสำเร็จเป็นพระอรหันเนี่ยก็เป็นนักฆ่าที่มมีความเชี่ยวชาญมากนะชื่อเสียงขององค์ุลิมาเนี่ยขนาดว่าสัตว์เดรัจฉานยังกลัวอไปขนาดนั้นหรือว่ามีพวกปริพาชกอะไรต่างมาคอยดาทอเสียดสีวางแผนทําลายมาีมีพวกพวกนักปราดต่า ง, างนะแต่งคําถามมาชงเพื่อที่จะให้ตอบแล้วก็ จนตัวเองอย่างนี้มีมี <Okay. S 1> การท้าขึ้นประลองเวทีโต้คารมกันมีเหมือนโต้วาทีประธานเดิวีอเมริกาซึ่งจะมีการเลือกตั้งในปีนี้ด้วยนะค่ะ <Okay. S 1> อย่างนั้นเลยเแล้วก็ยังมีไม่ใช่แค่นี้ น, น, นี้คือเราเห็นบนโลกนะเทวดานะพระอินทร์มาเป็นประชามาสนาทนาธรรมกับพรนะเาเทวดายักษ์เอย๋ยคนทันนาคอสูนพวกนี้มีหมด Hmm. รวมถึงขึ้นไปถึงพรมมโนะพที่สัตว์อื่นๆ อ, อะไรที่ยังทําเป็นพีนปานาอยู่เป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างก็มาเข้าหาผู้รับใช้อยู่ตลอดเวลานะเพื่อที่จะมาขอเขาเรียกว่าข้อมูลในการที่จะทําความดีต่อไปนะสร้างบารมีบัทให้ตัวเองบ้างเถอะ <Okay. S 2> ก, ก็เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลาในชีวิตของเราอ่ะคืออาจจะมาต้องการจะโยงมาตรงจุดที่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีบุคคลมากหน้าหลายตาอยู่แล้วมันจะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องดีๆอย่างเดียว มาเรื่องเสียก็มีข่าวนั้นข่าวนี้เราก็ยังจะมาพูดถึงคนนั้นคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตเราดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะเราจะทำจิตอย่างไงนี่คือประเด็นต่อไปอใช่ค่ะนะคะนี่คือประเด็นสรุปตรงนี้ก่อนว่าวันนี้เราได้รู้จักพระพุทธองค์พระศาสดาของเราในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะว่าในช่วงชีวิตของพระพุธองค์นั้นก็ได้ส่งพบคนหลากหลายรูปแบบ ะะทั้งที่มีปฏิกิริยาในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบกับพระพุทธองค์ก็เลยนำมาสู่การที่เราเองเนี่ยจเจอคนสารพัดรูปแบบจะรับมือกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นกันอย่างไรหลังจากที่เป็นผู้เข้าใจในธรรมแล้วและจะทำให้การที่กระทบกับผัสสะการที่ผัสสะเราไปกระทบ อะไรที่ชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจนั้นจะจัดการกับมันยังไงด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวทิ้งค้างไว้นิดหนึ่งก็ไปคุยกับท่านพบูลน์กันต่อในประเด็นนี้ท่านจะต่อเรื่องนี้ในวันนี้เลยใช่ใช่ใช่ไหมคะเพ ร, ะเรัะเมีเวลาอีกเกือบ10นาทีสิบนาทีกว่าเรื่องนี้งั้นก็นิมนต์ท่านต่ อ, อเลยก็คือว่า เ, เราคิดว่าแหมชีวิตฉันจะต้องดีดีนี่หมายความว่ามีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเอาไปดูบุรุษชาติไปแต่บุรุษชาติยังเป็นอย่างนั้นเลย มีแต่คนมีคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราก็เหมือนกันทีนี้ประเด็นของเราเราจะทํำยังไงในเมื่อชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงของชีวิตนะความทุกข์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องออกไปความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรับรู้ต่างหากสิ่งที่คุณออกไปต้องคือตัณหาเพราะฉะนั้นไอ้เวลาที่เกิดความไม่สบายใจไม่พอใจในในชีวิตของเราอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจเขาไม่ใช่ว่าเอาข้ออ่งไปผู้เช่าเองก็ยังมีคนมาด่าผู้เช่าเองก็ยังมีคนมารอบกําร้าย แนะล้วพระองค์จัดการกับจิตของพระองค์ยังไงในเรื่อง น, น, นี้ก็คือว่าปล่อยวางนะทําความปล่อยวางให้เกิดขึ้นได้อย่างเวลาเราดูหนังสือพิมพ์คุณยมติว้วเดี๋ยวนี้ห น, ะงนังสือพิมพ์นะแม่มันมันโอ้ยดีๆก็มีอะแต่ว่าไม่ดีก็เยอะนะะ แ, แล้วพระเจ้าก็ยังบอกว่าเวลาที่จิตเราเนี่ยมีความตรึกตรึกไปในทางใดๆมากเนี่ยจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้ น, น, นหมายความว่าถ้าเราดูข่าวอย่างฆ่าตัวตายมากๆเสรษฐยาเสพติดมากๆ ประพฤติผิดลูกเมียมากๆจิตเราจะน้อมไปในการทำอย่างนั้นอย่างนั้น น, นี่อันตรายมากอันตรายมากๆไอ้ทนนี่มันแย่ลงแย่ลงแย่ลงเนี่ยนะเพราะเราถูกฮิปนโนไทป e ์ถูกสะกดจิตโดยโดยสิ่งว่าเร า, าเออคุณต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเอาแล้วข้อมูลนั้นมาจากไหนโฆษณาไงหนังสือพิมพ์ไงข้อความต่างๆอินเทอร์เน็ตเรื่องต่างมันมนดึงจิตเราให้ถูรูถูกกางไป เราจะต้องเป็นอิสระจากพวกนั้นคุณจะต้องมีการสํารวมอินทรีย์ทําใจให้สบายมีการหาความสุขในความสงบนะอย่าไปรุป่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นมาเกินไปเพราะฉะนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามันจะทําปัญหาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะขอพระท่านโทษนะคะอาามาถึงตอนนี้ขอขัดจังหวะนิดนึ่งว่าเดิฉันฟังท่านพูดมาเนี่ยท่านกําลังจะบอกว่าเราเนี่ยเสพสารพัดเรื่องราวเสพสารพัดผู้คน ในระดับที่แตกต่างกันไปแล้วก็มันมีอิทธิพลกับเราถูกไหมคะใช่สิ่งเหล่านั้นมันมีอิทธิพลกับเราซึ่งยกตัวอย่าง ข, าข่าวค่าตัวตายเนี่ยบอกว่าถ้าเสพมากๆเข้าแล้วไม่มีหลักในการเสพอาจจะเกิดการทําเรียนแบบหรือเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้อืออย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ท่านคะทีนี้เอาละท่านบอกว่าเาต้องรอบรู้ความทุกข์พพระพุทธองค์สอนให้ปล่อยวาง การที่มันก็หนีไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของข้อมูลข่าวสารบางทีบางคนเนี่ยตัดสินใจอยู่สันโดษสันโดษแล้วนะตัดทิ้งอ่ทุกสันญาข่าวเลยยกเว้นไว้สักสันญาข่าวหนึ่งพอให้อยู่ร่วมโลกกับคนอื่นแบบคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่เขาพูดอะไรมาเวอไปหมดทุกเรื่องแต่กระนั้นก็ยังไม่หวที่จะเหมือนกับโอ้ยมันอะไรกันนกหนาเรามีวิธีจะอยู่ กับสิ่งที่มันหนีไม่ได้อย่างนี้นะค ะ, ะคือจะให้ท่านพูดถึงเรื่องของวิธีตามธรรมเนี่ยให้ละเอียดเลยคะ่ะอย่างไรค ะ, ะก็คือว่าเราสํารวมอินทรีแต่พระเชษฐาก็บว่าธรรมที่มีอุปการะมากในกรณีนี้คือการสําโรมอินทรีย์เอาพูดง่ายง่ายก็คือมีสติรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั่นแหละนันก็คือการที่เราจะมีสติรักษาตานั่นคือสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีมันมีอยู่ใช่ไหมถ้ามันเข้ามาในจิตของเราเนี่ย เราจะเราจะพลาดน้ํามันจะจุดดึงเราออกไปได้คือมันเข้ามาแล้วไงมันจะกระชากจิตของเราดึงจิตของเราให้แหลกละเอียดแล้วก็ดึงมันออกไปกับมันเป็นธาตุของมันค่ะปกติมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเข้าทำเราทํางเราต้องมีนายทวารที่คอยป้องกันไม่ให้พวกนี้เข้ามามันจะแฝงตัวมาเราต้องมีนายทวานนายทวานที่นี่คือสตินั่นเองโอ้พูดอย่างนี้มันมันก็เป็นพูดหลักการใช่ไหมแล้ววิธีปฏิบัติทําจริงๆทํำยังไงลมหายใจลมหายใจใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นสติ สร้างขึ้นมานะเพื่อให้สติเนี่ยมาคอยคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ได้สังเกตลมหายใจนั่นแหละที่ท่านมาร์คพาทำตอนต้ น, นรายการนั่นแหละเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตของเรามีสติมีสติแล้วจะคุ้มกันสิ่งที่ไม่ดีภายนอกไม่ให้เข้ามาในใจของเราได้ค่ะใช่ลมหายใจทําให้เกิดสติคนที่ทําไม่เป็นก็จะงงๆอยู่ บางคนอาจจะคิดต่อไปเลยเป็นนักธรุรกิจเอาลมหายใจไปอัดกระป๋ อ, ปองขายยแล้ว บ, บอกนี่ทายสติค่ะ <c oughs> คือลมลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องมือเฉยๆเป็นเครื่องมือเฉยๆแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยคือเจ้าตัวสตินั่นเองสติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้คือระลึกคือจิตเรามานึกถึงสลก็เรื่องในเรื่องหนึ่งนั่นแหละในขณะนั้นนะสติเกิดขึ้นกับจิตละแต่ถ้าจิตเนี่ยไหลไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ในขณะนั้น จิตนี้ไม่มีสติหล้ค่ะอ่ะนะคะด้เรื่องนี้ก็คือต้องตั้งสติก่อนที่จะรับภาษะต่างๆหรือว่าตั้งสติไว้เลยมันมาแน่ภาษะมาตลอดเวลาถูกไหมคะใช่ค่ะลมหายใจก็อยู่กับเราอยู่แล้วนึกถึงตอนที่ท่านมาร์กสอนในตอนต้นรายการนั่นคือวิธีเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายจนกระทั่งบางคนคิดว่ามันเป็นแบบจริงหรอแค่นียงหรออย่างนี้แต่ไม่มันแค่นั้นจริงอ่งนะคะแต่พอพอลองทำเดี๋ยวยังเข้าใจว่าทุกคนก็ยังงงๆหรือว่าเอ้มันมันช่วยอะไรมันยังไม่เห็นประจักษ์ชัดในทันทีทันใดอะค่ะท่านคะเออมันก็จะต้องคือเห็นประจักษ์ชัดทันทีทันใดแน่ถ้าเวลาทําถูกนะคือบางคนทําไม่ถูก คืถ้าทําถูกแล้วจะเป็นไงทําถูกแล้วจิตจะสงบอย่างน้อยวินาทีนั้นเสี้ยววินาทีนั้นในขณะที่คุณม า, ละลงงาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยระลึกถึงรมหายใจใช่ไหมมีสติเกิดขึ้นแล้วนะเปราะความระลึกถึงนั่นคือสติปุ๊บเนี่ยจิตเราจะไม่หนีไปตามสิ่งนู้นสิ่งนี้มันจะกลับเข้าฐานของมันได้คือคือที่อยู่ในกายของเรา <Okay. S 1> ทีนี้ว่าถ้าเผื่อว่าเราอาจจะยังไม่เห็นเพราะมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ถูกคือบางคนทําให้ถูกด้วยซ้ําทําถูกทํายังไงคืออย่าไปบังคับไง อย่าไปบังคับจิตหรือว่าอย่าไปขู่เข็นเขาอย่าไปบังคับลมด้วยและทําให้เป็นธรรมชาติมันมันจะทําได้อาณาปานาสติเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเมื่อเจริญทาให้มากแล้วเนี่ยความฟุง้งซ่านแห่งกายก็ตามความฟุง้งซ่านแห่งจิตก็ตามก็จะระงับไปได้ค่ ะ, ะทีนี้สมมุติว่าท่านฟังที่อาจจะยังไม่เคยปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วแต่อยากจะมาทบทวนบทเรียนนะคะก็พยายามทําตามที่ท่านเผบูร์บอกเลยเพราะ ที่ผ่านมาอาจจะคิดว่ากําลังทําผิดอยู่อาจจะบังคับลมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอลองท่านลองจินตนาการแล้วลองทําไปเลยแล้วการทําตรงนี้ไม่ได้ยากนะคุณโยมติวค่ะมไม่ได้ยากเลยนะแต่ทีนี้บางคนอาจจะบอกยากอยู่ยังหาไม่เจอเ ล, ลมหายใจพอจะทําเข้าจริงๆมันก็เลยต้องเกิดการบังคับลมมันมีเทคนิคอย่างไรไหมคะเออคือทําให้เป็นธรรมชาติถ้าเราเ อ, อหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นยังไงธรรมชาติตรงเนี้ย นี่คือกายกับจิตเนี่ยมันมันก็แยกกันอยู่แล้วเ่าเราก็แค่ว่าทํากายของเราไปอย่างเป็นธรรมชา ต, ติจิตของเรามันก็จะไหลามารวมตรงนี้อย่างเป็นธรรมชาติแค่มันคือคือท่า เ, เข้าใจเรื่องของการทําใหม่ๆมันจะงงๆกร ะ, ะทึงคะว่าบางครั้งในความเครียดของคนที่ทําก็คือว่าบางคนบอกว่าจับไม่ได้เลยลมอะ่ะ อ, อค่ะก็เลยถ้ามันไม่หาไม่ไปบังคับให้มันหายใจแรงขึ้นอีกสมมุตินะคะ มันจะไม่รู้เลยว่ากําลังหายใจเนี่ยค่ะไอตอนจุดสตาร์ทเนี่ยที่ฉันก็ว่าสําคัญมากเหมือนกันนะคะอืมใช่เอ่อเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้ผู้ชีจึงให้ไว้ตั้งแต่ตอนต้นของอนาปนาสติเลยนะว่าเอางั้นทํางนี้นั่งคู้ขาเข้ามาได้รอบนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบนะตั้งกายตรงเอาแค่นี้ก่อนนะนี่คือท่าทางของร่างกายจิตทํำยังไงดํารงสติเฉพาะหน้าอา่าแค่นี้เองคําว่าดํารงสติเฉพาะหน้าเนี่ย เฉพาะหน้านี่คือหมายถึงพระพเจ้าใช้ภาษาบาลีว่าปาริมุขขังคะมุขขังปา ร, ริมุขขังก็คือทางเข้าทางออกของลมหายใจใช่ไหมเพราะเราเอาจิตของเราไว้ตรงนี้แต่ไม่ได้ตามลมไม่ได้บังคับลมเพราะฉะนั้นเวลาเราหายใจแรงสักสองาครั้งเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ตำแหน่งปา ร, ริมุขขังนี่มันอยู่ตรงไหนเราจะรับรู้ได้ก็เอาจิตของเราไว้ตรงนั้นแค่นั้นเองอ่านี่บอกไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเลยของอานาาตสติอ๋อืก็เลยเหมือนกับว่า เราอาจจะพูดถึงการทำอนาปนานสติเนี่ยทำตอนไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ในท่าใดก็ได้แต่ท่าในตอนเริ่มต้นให้ดีที่สุดทำในประถมมบทอย่างที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ก็คือให้ตั้งกายตรงใช่ไหมคะใช่ใช่ให้นั่งคูขาตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าอย่างนี้ อ, อย่างไรเสียท่านได้พบแน่ลมหายใจของท่านที่ตาแหน่งปริมุ ข, ขังใช่ ท่านฟังคะแล้วลองทำดูนะคะเราจะได้ปฏิบัติกันอย่างถูกวิธีเพราะบางทีบางคนนะ่ค่ะท่านะถึงฟังพุทธวจะนะตรงๆอแต่มันความสงสัยของมนุษย์เนี่ยมันเป็นของคู่กันคะ่ะกับการมีชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้กำลังจะได้วิธีปฏิบัติในการที่จะรับมือกับผัสสะต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอย่างมีสติก็คือให้ใช้ ลมหายใจของท่านทําให้เกิดสติโดวยวิธีดังที่ท่านมาร์กนําในตอนต้นและท่านเพรบูรนํามาขยายในตอนนี้ถูกไหมคะใช่ถูกต้องค่ะท่านคะก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยแล้วการกระทําเช่นนี้เดี๋เข้าใจว่าเราจะถือโอกาสเป็นการบูชาพระศ า, าสดาพุทธชยันตีได้ด้วยเลยใช่ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แหละนะคะกราบาสการขอบพระคุณท่านเพรบูบรคบนค่ะเจริญพร การท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสันสนีนาฏพง์นะคะและที่ผ่านไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดละที่นำเอามาบอกกล่าวกันกับท่านทั้งหลายคือวิธีการในการปฏิบัติใช้เครื่องมือคือลมหายใจให้เกิดสติซึ่งสติก็จะคุ้มครองเรานะคะเราจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราพบกันทุ่งนนวันจันทร์วันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุแห่งนี้คือสถานีวิทยุ ครอบครัวข่าวสทรอ FM ฟเรค่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพุทธวัตสวัสดีค่ะ